แต่ถ้าหากว่าคิดตามก็ไม่ได้ไม่น้อมไปเพื่อจะรู้ตามเห็นตามพวกนี้ไม่ใช่พุทธเวไนเขาบอกว่าโอ้ยฉันไม่ใช่พุทธเ อ, อพุทธเวไนหรอกฉันเป็นธรรมะเวไนธรรมะของใครก็ของพระพุทธเจ้าเองนั่นแหละบอกสาวกเวไนมันต้องสาวกสอนแล้วสาวกของใครก็ของพระพุทธเจ้าเองนั่นแหละมันอย่างไรเสียอย่างไรก็ไม่พ้นไปจากพระพุทธเจ้ามันทำยังไงใจของเราจะไหลลึกเนี่ยนะไหลร่องลึกใน พระพุทธคุณเนี่ยนะพระพุทธคุณลืมอะไรก็ลืมไปเถอะแต่นะจะลืมอย่างอื่นก็ลืมแต่ขอใจอย่าลืมจากพระพุทธเจ้าคำถามว่าทำยังไงวิธีการฝึกต้องเจริญพุทธคุณในทุกทวารเนี่ยนะเมื่อเห็นต้องอิติวิโสเป็นต้นให้ได้เนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดมันได้ชื่อหัวข้อก่อนก็นยังดีอ่ะนะแต่หัวข้ออย่างนึกไม่ออกไม่ต้องลงรายละเอียดหรอกเนี่ยนะพยายามเนี่ยเนี่ยเห็นภาพเห็นอะไรก็ช่างเห็นภาพที่ดีก็ตาม อิติปิโสพัคหวาหรือบาลีก็ได้ภาษาไทยก็ได้เนี่ยนะเห็นภาพที่ไม่ดีก็ตามเจริญพุทธคุณได้ไหมบอกว่าบางทีเจริญได้ตอนไหนตอนที่รถแบบว่าใครที่ขึ้นรถเนี่ยเบรกเอี้ยดอัดเนี่ยไหมตายแน่งานนี่นะอิติปิโสเลยบางทีนะอาจจะมีบ้างเน่ยนะหมายีอิติปิโสท่านเทียนหมายงานนี้ไม่น่าจะรอดแล้วดูท่าคนขับเนี่ยนะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยนะเคยนั่งรถเมย์อยู่คืนหนึ่งโอ้โหสุดยอดเลยไป น, นังน่งทั้งนา เขาบอกคนขับเนะี่ยระดับล่างหนะ่อยฮะเราพูดโดยสารงให้นั่งสูงหน่อยว่าโหเห็นหมดเลยเนะีแล้วรถคันที่เรานั่งมันแซงซ้ายตลอดเนี่ยนะถ้าแสงขวาพอทําใจได้นะแซงซ้ายแล้วถามไปแซงที่ไหนโน่นอะ่ะแซงที่ไอแบบแบบระดับล่างๆอ่ะนะเราฟื้นฟุตบาทดเนี่ยอนะไรพวกพวกไอเลนจักรยานนะ่ยนะโน่นอะ่ะไปแซงประเภทนั้นอนะ่ะมันจะตกถนนหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนี่ยนะรอดตายน้องอันนี้เนี่ยนะโอ้ เกือบทั้งคืนเน่ยนะโอ้โหัหัวใจเต้นปกผิดปกติพอสมควร่ะนะจะเห็นว่า อ, อันตรายมากเลยงานนี่เฮ้ยรอชีวิตมาได้ก็มีบุญนะอันนี้อีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งมาโอหเป็นนั่งรถหน้ารถนะนั่งนั่งรถที่อินเดียโอ้ยไปนั่งอยู่ข้างหน้านี่นะนั่งอยู่ใกล้ๆคนขับนั่นแหละนั่งข้างหลังคนขับเนี่ย น, นะมันแบบ ทุกอย่างนี่มันเบรกติดกับคันหน้าสอกเดียวแต่เกือบทั้งนั้นเลยเนี่ยนะสอกเดียวแล้วมันแซงแบบอะไรมันเชียวกันแค่คืบเดียวเนี่ยงานนี่รอดไหมเน้ะเนี่ยนะจะได้ไปไหว้พะตลอดสายหรือเปล่าเ น, น้ะเนี่ยนะแล้วถนนเขาก็มันสุดรอดเลยเนี่ยนะเอียงซ้ายเอียงขวาบ้งเนีน่ยแล้วก็เป็นรูปแบบรูปแบบคลื่นก็้าขับรถบนคลื่นในทะเลนั่นแหละบางที่ถนนไม่ดีโอ้แล้วว่าแล้วสิบล้อทั้งนั้นเลยเนี่ยนะ สิล้อทั้งนั้นอนะ่ะบรรทุกเด็กแป้นแป้นแป้นแปเนี่ยนะโอ้คอนืนนั้นก็นอนแต่ไม่หลับเลยนะมีทางเดียวบอกโอ้สองสารหน่อยเธปิดม่านแน่หน่อยไม่เห็นซะยังจะดีกว่าเพราะงั้นบอกกันนะคือคือมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วถามว่อาอ้าวแล้ ว, แ ล, วแล้วตอนนั้นเนี่ยเรานึกถึงอะไรได้บ้างเออ แล้วชีวิตอย่างอย่างถ้าเราศึกษาเรื่องชีวิตมาเยอะๆเนี่ยนะมีญาติผู้ใหญ่มากๆเนี่ยจะรู้ว่าเขาเหล่านั้นเจ็บป่วยทั้งนั้ น, นเจ็บป่วยทางร่างกายมั่งมีเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะแล้วสภาพจิตของเราไม่ต่างกับเขาเหล่านั้นหรอกมันเราฝึกจิตอะไรไว้บ้างเนี่ยนะให้ใจของเราเนี่ยไหลไปกับเรื่องไหนได้บ้างถ้าเรารักษาจิตได้ก็รักษาสุขคติได้ ถ้ารักษาจิตได้ก็เท่ากับรักษาความเป็นมนุษย์ได้ถ้ารักษาจิตได้ก็แปลว่าพอที่จะเกิดในสวรรค์เกิดเรียว่าหรือไหลไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานได้คเครียกว่าไหลไปสู่กระแสมรรคเนี่ยนะแปลว่ากระแสนนะโสตาปฏิมรรคเนี่ยนะอ่าโสตาโสดาบันเนี่ยนะโสดาปันนะเนี่ยโสตะแปลว่ากระแสอาปันนะแปลว่าเข้าถึงเข้าถึงกระแสคืออรยิยมรรคเนี่ยนะ อารยมรรคอันประกอบเปพิธีองค์แปดผู้เข้าถึงกระแสกระแสอันนั้นกระแสคืออารยมรรคไหลไปสู่พระนิพพานเพราะมีพระนิพพานเป็นอารมณะปัจจัยแห่งอารยมรรคเนี่ยนะอั้นสภาพจิตของเราเนี่ยมันไหลไปไหนล่ะเห็นไหมมันไหลไปไหนถ้าหากว่าไหลไปสู่ธาตุดินธาตุน้าําธาตุไฟและธาตุลมถ้าไหลไปสู่ธาตุน้ําเนี่ยเอาแบบใหญ่ที่สุดเลยไปอยู่ที่ไหนทะเลเนี่ยใหญ่เหลือกเกินเนี่ยนะ แล้วแต่น้ําบ่อใหญ่เรียน้ําบ่อน้ อ, นอยถ้าน้ําบ่อใหญ่ที่สุดก็ไหลไปสู่ทะเล ม, มันใครคิดถึงปลาบ่อยๆก็ระวังอันตรายเนี่ยนะถ้าชํานาญในเรื่องปลาล่ะบางคนนี่คิดจนชํานาญคิดชํานาญในเรื่องใดมันก็จะไหลไปสู่ตรงนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมสัตว์ในทะเลมจึงมากเนี่ยนะไม่ต้องแปลกใจรอกเนี่ยนะแล้วก็จิตถ้าหากว่าจิตคิดถึงปฐวีาธาตุธาตุดินคิดถึงตอนที่ดินมันแข็งหรือว่าดินมันอ่อน หรือดินมันที่มันเจิงด้วยน้ําเฉอะแฉะเป็นต้นเนี่ยนะคิดถึงดินกลุ่มไหนนั่นแหละอารมณปัจจัยของพบใหม่ต่อไปหรือถ้าหากว่าผู้ใดบูชาดินติดข้องในดินผู้นั้นก็จะไม่พ้นดินผู้ใดบูชาน้ําติดข้องในน้ําระลึกถึงน้ำํำรำพึงถึงน้ําพูดถึงแต่น้ําใจของเขาก็ไม่พ้นน้ําถ้าหากว่าเขาคิดถึงแต่ลมคิดถึงแต่ลมเนี่ยนะลมน้อยบ้างลมแรงบ้างพวกนี้จะพ้นการถลาลมไหม เป็นอะไรเอ่ยทาร้าลมสัตว์มีปีกเยอะหรือน้อยไม่ใช่น้อยเลยนะก็บอกว่าไอ้สมัยที่ช่วงอีกพัคหนึ่งเนี่ยผีเสื้อมันเยอะมากอนผีเสื้อมันไปทีละฟูงเยอะมากเลยนะพวกนีมันเกิดหลายพวกพวกพวกทิฉาชาติพวกนี้เกิดสองครั้งเลยนะเกิดในคันก่อนแล้วก็มาเกิดในนั่นนะเป็นดักแด้พวกนี้เกิดหลายทอดมากกว่าจะมาเป็นผีเสื้อละนี่นะ เป็นไปประเภทหลายกลุ่มเลยพวกไหนพวกแมงบุ้งทั้งหลายตัวบุ้งทั้งหลายเนี่ยแหะไอตัวคันนี่แหละกลายมาเป็นผีเสื้อสวยๆนั่นแหละนันนะเพั้นแต่แหมขนของมันเนี่ยอันเดียวเนี่ยก็ขันเสดิจเหมือนกันนะถ้าคนแพ้นะทีนี้ถามว่าอ้าวถ้าใจติดข้องในไฟอ่ะไปไหนคิดถึงไฟอ่ะจะไปไหนภูมิไหนที่มีแต่ไฟอย่างเดียวนรกเนี่ยนะถ้าคิดถึงแต่อาหารน่ะจะไปไหน ก็เป็นสัตว์ที่หมกมุ่นอยู่แต่กับอาหารก็ดูว่าพวกสัตว์ที่หมกมุ่นอยู่กับอาหารผู้ที่เดือดร้อนในเรื่องอาหารกับไม่เดือดร้อนเรื่องอาหารคือในทางพุทธศาสนาเราให้ความสําคัญกับเรื่องจิตเต็มที่ทําทั้งหลายมีมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วแต่ใจในี่นะก็แล้วแต่ใจจริงๆว่างั้นเอาแล้วแต่ใจชอบชอบอะไรนี่นะมันก็จะไลไปสู่สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใจเนี่ยปกติมันไม่ฉลาดรอยตัวใจเนี่ย ในอัตกะถาสติปฐานหรืออัตกะถาอานาปานสติเนี่ยท่านบอกตลอดว่าธรรมชาติจิตมันเหมือนกับลูกโคโกงเพราะอะไรเพราะมันดื่มแต่น้ํานมแม่โคโกงสีทั้งหลายนี่มันโกงมันไม่จริงหรอกมันไม่บอกความจริงให้จิตเราซื่อตรงมันไม่ค่อยบอกตามเป็นจริงหรอเสียงทั้งหลายก็ไม่ค่อยบอกความจริงเสียงที่บอกความจริงเนี่ยไม่มากเพราะฉะนั้น สีทั้งหลายจึงเป็นที่ตั้งแห่งความคดของจิตทำให้จิตมันคดเสียงทั้งหลายก็ทำให้จิตคดกลิ่นทั้งหลายก็ทำให้จิตคดรสอารมณ์ทั้งหลายก็เป็นทำให้จิตเนี่ยมันคดอารมณ์ที่รับกระทบสัมผัสทั้งหลายก็ทำให้จิตเนี่ยคดเรื่องราวที่เราคิดทั้งหลายโดยมากก็เป็นที่ตั้งแห่งความคดของจิตถ้าจิตมันคดเนี่ยนะมรรคดจะเกิดได้ไหมไม่ได้เพราะมรรคดเนี่ยมันเป็นความซื่อตรงของจิต อย่างน้อยมาหากุศลทั่วไปก็อุชูกตาเลยใช่ไหมจิตอันนั้นต้องตรงไอ้คาว่าตรงนี่กับคํ า, คาว่าเข่านี่คนละอย่างกันนะไอ้บางคนเนี่ยตรงแบบโง่เข่ามันคนละอย่างแต่จิตอ่อนจิตควรจิตเบาจิตซื่อตรงแล้วจิตที่ประกอบด้วยสติและสัมปชัญญะประกอบด้วยปัญญาศรัทธาวิริยะเป็นต้นนั่นนะมันให้จิตเนี่ยทีนี้ถามว่าถ้าจิตเนี่ยปกติแล้วมันไม่ค่อยฉลาด อันนี้แหละสัญวิญญาณตัวนี้เนี่ยจึงต้องติดตั้งสัญญาณให้ดีวิญญาณเนี่ยแปลว่าการรับรู้เราก็ต้องมาติดตั้งสัญญาณให้ดีๆให้จิตเนี่ยมันไลหลไปสัญญาณที่จะทําให้จิตไหลไปให้ดีสัญญาณในนั้นอาศัยอะไรก็พระพุทธคุณนี่แหละพุทธคุณนี่แหละเป็นที่ตั้งแห่งสัญญาเป็นที่ตั้งแห่งสัญญาแล้วนะสัญญ า, า, นะญญากระจายเราเลยว่าใจเอ้ยแกปกติแกก็ไม่ฉลาดเนี่ยนะยังไง ก, ก็ไปกับคุณของพระพุทธเจ้าก็แล้วกันนะ ก็ติดตั้งสัญญาใจเนี่ยนะสัญญาใจให้ไหลไปในพระพุทธคุณถ้าเรื่องอื่นยังสัญญาได้ตอบรับได้เป็นต้นแล้วใจที่สมาทานที่จะน้อมไปในพระพุทธคุณทีนี้ถามว่าเอาสูงขึ้นไปอีกเนี่ยนะทำยังไงเนี่ยปัญญาเนี่ยจะเป็นตัวควบคุมทิศ ท, ทางแห่งจิตใจให้ไหลไปในพระพุทธคุณทั้งหลายใช้คาว่าพุทธะตลอดเลยเนี่ยนะพุทธะแมหมายเขาว่าไงพุทธะพุทธะ ผู้รู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งผู้กำหนดรอบรู้สิ่งที่ควรกำหนดรอบรู้ผู้ที่ละในสิ่งที่ควรละผู้ที่ทำให้แจ้งในสิ่งที่ควรทำให้แจ้งผู้ที่เจริญในสิ่งที่ควรเจริญมันถ้าใจของเราเนี่ยระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้บ่อยๆเท่าไหร่ใจของเราก็น้อมไปรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งอันนั้นจริงจะถผูกต้อง น้อมไปเพื่อรอบรู้ในสิ่งที่ควรรอบรู้ใจก็จะน้อมไปเพื่อละสิ่งที่ควรละใจก็น้อมไปเพื่อเจริญในสิ่งที่ควรเจริญใจก็น้อมไปเพื่อทําให้แจ้งอารมณ์ที่ควรทําให้แจ้งและคุณธรรมที่ควรทําให้แจ้งใจมันก็จะไหลไปให้งอกงามยิ่งขึ้นอันนะ พันคุณธรรมทั้งหลายก็จะได้รับการอบรมเพิ่มพูนยิ่งิ่งขึ้นไปเนี่ยนะพันใจเหล่าใดที่น้อมไปเพื่อคุณธรรมสูงสูงต่อไปใจอันนั้นเรียกว่าโอปะนยียโกเพราะน้อมไปเพื่อบรรลุอริยมรรคทั้งหลายน้อมไปเพื่อให้อริยมรรคเกิดขึ้นในจิตใจเนี่ยนะพันในปฏิสัมพิธามรรคท่านวาระไว้ด้วยเกี่ยวกับจิตทั้งนั้นเลยนะ จ, จิต อ, รรเเอารามณตเถนะเอกเต เกี่ยวกับเรื่องจิตเน่นะเอกัตตะนานะตะเรื่องจิตทั้งนั้นเลยเนี่ยนะสภาพจิตสภาวะของจิตว่าจิตมันไหลไปตามไหนแต่ถ้าหากว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นการปฏิบัติที่ซื่อตรงจิตอันนั้นต้องไหลไปเพื่อรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ล ะ, จะเจริญทาให้แจ้งและถามว่าบุคคลผู้เป็นเจ้าของการรู้ยิ่งการกำหนดรู้การละการจเจริญ การทําให้แจ้งเจ้าของโครงการนั้นคือใครก็พระพุทธเจ้าก็ผู้ที่สร้างบุญบารมีมาเพื่อการรอบรู้ในสิ่งนี้ถามว่าถ้าพระพุทธเจ้าจะแนะนําเราเนี่ยแนะนําเราว่าอย่างไรเนี่ยนะแนะนำให้เราเจริญอะไรเพันการเจริญพุทธคุณอย่างบทว่าวิชาจารณะเนี่ยนะวิชาจารณะสัมปันโนพระองค์เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะใจของพระองค์เนี่ยไหลไปกับจารณะทั้งหลาย โดยลำพังจิตของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะใจของพระพุทธเจ้าเนี่ยไหลไปกับศีลสติสัมปชัญญะเนี่ยนะพระองค์มีกายเนี่ยนะกายเนี่ยมีจิตเป็นสมุทฐานวาจาก็มีจิตเป็นสมุทฐานกายวาจาของพระองค์ก็เป็นศีลทวารที่รับรู้รับเห็นรับทราบเนี่ยนะทวารรู้รับรู้คือทวารใจรับทราบจมูกลิ้นกาย รับได้ยินแค่เรียกว่าทวารหูแล้วก็รับเห็นแค่เรียกว่าทวารตาทวารใจทวารสัมผัสทวารได้ยินแล้วก็ทวารเห็นทวารเหล่านี้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะฝึกจิตอย่างไรให้มีสติสัมปชัญญนะนเนี่ยนะทุกๆทวารเนี่ยจิตไหลไปด้วยอินทรีย์สังวรแล้วจิตเหล่านั้นเป็นจิตที่รอบรู้ในอารมณ์ทั้งหลายเรารู้ประมาณในแต่ละอารมณ์ เพราะในโลกนี่มันก็คือปัจจัยสี่เท่านั้นแหละมันก็เรื่องอะไรพ้นเรื่องที่อยู่อาศายัยเรื่องอาหารเรือ่องเรื่องนุ่งหม่มเรื่องอยู่ยาทั้งหลายมันไม่พ้นหรอกพ้นที่เราเห็นเราได้ยินพฤติกรรมการประกอบอาชีพทั้งหลายเนี่ยทำทุกอย่างก็เพื่อปัจจัยสี่เท่านั้นแหละเพื่อเครื่องนุ่งหมง่มมั่งเพื่ออาหารมั่งเพื่อที่อยู่อาศัยมั่งเก็บหอมรอมเรียบกับเพื่ออยู่พกกเพื่ อ, อ, ยพ อ, อยาเป็นต้นนะนะมันก็ไหลไปไหลมาวนไปเวียนมาก็ไหลไปหา ปัจจัยสี่รู้ประมาณแค่ไหนรู้ประมาณในการสแสวงหารู้ประมาณในการรับในการบริโภคในการจำหน่ายจ่ายแจกเป็นต้นขนาดไหนเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจิตต้องเป็นเป็นจิตที่มีวิจารณญาณที่ดีเยี่ยมในการแก้ในการรับทราบรับอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะแล้วต่อไปเนี่ยจิตเหล่านั้นต้องตื่นตัวไม่ใช่เป็นจิตที่หลงงมงายโง่ขเขลาอันนั้นเรียกว่าชาคริยานุโยคชาคราบเลีย ว, ว่าตื่นประกอบ ประกอบตนเอาไว้โดยภาวะของผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลาอนุโยคะแปล ว, ว่าการตามประกอบเนี่ยนะการตามตามประกอบเรแปลว่าเอาเป็นการเป็นงานตามตามประกอบโดยภาวะแห่งผู้ตื่นมันผู้ที่เจริญคุณธรรมเหล่านี้เป็นบุคคลพวกตื่นตัว น, นะตื่นตัวสูงมากซึ่งไอภาวะที่ตื่นตัวนี้พระพุทธเจ้าสอนว่าเธอเคยได้ข่าวว่าพระราชามหากษัตริย์ที่ปกครองรัฐ ประชาะชนบทเว้นแคว้นอาณาอาณานิคมทั้งหลายเนี่ยนะนอนแต่หัวค่ําตื่นตะวันโด่งเนี่ยเคยได้ข่าวบ้างไหมพระราชาประเภทเนี่ยนะนอนน้อยเต็มทีอั้นบุคคลที่ตื่นตื่นมากนอนน้อยเนี่ยนะคือกลุ่มผู้บริหารประเทศทั้งหลายพวกนี้เป็นแป๊บเดียวนี่แกเร็วกันทั้งนั้น น, นะนะโดยมากพวกผู้บริหารทั้งหลายเจ้าของกิจการใหญ่ๆโตๆนอนนิดเดียว น, นะไอ้พวกนอนแหมขึ้นอืดเลยเนี่ยพวกนี้โดยมากก็ไม่แทบไม่มีอะไรหรอกเนี่ยนะ แทบไม่พอกินพอใช้นะเพราะว่าเอาเวลาที่เหลือไปหลับไปนอนหมดเนี่ยนะมันก็แล้วแต่ว่ามันอยู่ระดับไหนทีนี้ผู้ที่จะบรรลุอริยทรัพย์บรรลุคุณธรรมชั้นสูงเนี่ยนะสุขภาพจิตสภาวะจิตเนี่ยเป็นจิตที่โง่เขลาหลงงมงายพวกนี้จะเรียกว่ามันเป็นเป็นจิตที่เปราะบางก็ว่าเปราะบางคือมันก็เหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับสัมผัสทางจิตเนี่ยพวกนี้สัมผัสไวมาก ก็เหมือนกับคนเครียกว่าภูมิแพ้ทางร่างกายเนี่ยนะร่างกายเนี่ยเจอฝุ่นนิดๆหน่นนอยๆเนี่ยมันจะรับเรียกว่าสัมผัสไวบางคนเนี่ยสัมผัสไวทวารตาแยกแยะความแตกต่างแห่งสีได้อย่างชนิดพิเศ ษ, ษพวกนี้ก็เป็นจิตรกรจิตตกรรมตกแต่งเรื่องสีเพราะสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องสีไวมากบางคนที่เป็นนักดนตรีทั้งหลายพวกนี้สัมผัสเกี่ยวกับเรื่องเสียงได้อย่างว่องไวพวกนักนักเรื่องระบบน้ําหอมทั้งหลายพวกนี้จมูกไวพวกนักกินทั้งหลายเนี่ยลิ้นเนี่ยไวมากเนี่ยนะ พวกภูมิแพ้ทางร่างกายเป็นต้นเนี่ยก็คือร่างกายเนี่อรับกระทบสัมผัสชนิดที่เรียกว่าว่องไวพิเศษเกินกว่าคนอื่นพวกที่มีปัญญาทั้งหลายพวกนี้จิตมันไวไวกับการรับรู้เนี่ยนะ น, นะไวกับการรับรู้พวกนี้ตื่นตัวพวกที่จิตตื่นตัวนี่จึงมีวิจารณญาณที่อ่าที่แล้วแต่ว่าถ้าปัญญาดีมันก็ว่องไวถ้าปัญญาไม่ดีล่ะ